บวชมาแล้วไม่ตั้งหน้าต่างตาศึกษาอักธรรมไม่ตั้งหน้าตัางตารักษาข้อวัดปฏิบัติก็ได้ชื่อว่านักบวชนั น, นั้นบวชเขามาเสียข้าสุกต า, ตายเขาในสมชื่อจะเป็นนักบวชนักปฏิบัติฉะนั้นทุกท่านที่อุตสาห์พยายามสละ กิจการบ้านเลือนเข้ามาสู่ศาสนามีหน้าที่ประตุ้ปฏิบัติตายใจของตนเสื่อมรักเสื่อผลอย่างเต็มที่นักบวชจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่โชคดีกว่าฆร า, าวาดเขาเพราะการงานบ้านช่องไม่มี นีจะ ต, ตั้งหน้าต่างตารักษากายบายจลใจของตนตั้งหน้าต่างตารักษาศีลสมาธิปัญญาของตนให้จเจริญก้าวหน้าไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาเพื่อเล่นเพื่อเพลินเพื่อจิตหรือติด ต, ตามเรื่องอื่นๆนอกจากบวชเข้ามารักษากายบายจลใจเพื่อขับไล่เรื่องชั่ว ที่เกิดขึ้นจากความที่ความปรุงข้องสนปกติจิตใจเมื่อไม่ได้รักษาด้วยสติปัญญานัก่อยากตายแสแย่ผันไปตามปัญญาอารมณ์ทางโลกเพราะทุกคนเคยอยู่กับโลกเคยเกิดเคยตายเคยวุ่นวายกังวลกับเหลืองของโลกมาเป็นเวลา หลายภบหลายชาติฉะนั้นจิตใจของพวกเราท่านเมื่อเข้ามาบวชในศาสนาถึงเป็นเทเสตสมณะคือเป็นเทเผู้สงบแล้วก่อตังจะจิตใจที่เคยไข่ ค, คิดเรื่องของโลกมากอยากจะมักดองอยู่ภายในทางภาษาของพระหรือทางภาษาของศาสนาอย่าว่านู้ใส่ดองอยู่ในจิตในใจนอนเนืองอยู่ภายใน จิตภายในใจของตนเมื่อมาบวชไม่ได้สนใจตาราสาสางไม่สนใจในความภาคความเทียนไม่สนใจในอาจในธรรมอนุสัยเหล่านั้นยอมป่งตรงขึ้นจากจิตจากใจใค่ายคิดไปในทางนอกเห็นว่าเป็นฆราวาสสะดวกสบายเห็นเป็นว่าฆราวาส สนุกสนานอย่างนั้นอย่างนี้โดยในเดชพิจณาที่คลายที่ท่วนฉะนั้นนัก บ, บวชที่มีโอกาสเข้ามาบวชในาศาสนาะได้มัญญาว่าเป็นสมณนะคือผู้สงบเราจะต่อสรักษากายของเราให้สงบจากที่เหลือปัญหาจากมานาคิฐิต่างๆปกติของร่างกายก็เป็นเครื่องมือของใจเท่านั้นนี่ใช่ กายของเรามันมีกิเลสปัญหามานาทิฏิอะไรความจริงจริงเป็นเครื่องมือของใจถ้าใจสงบใจอยอกเย็นใจเป็นอาจเป็นธรรมตายแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรจะไปกับเพืชั่วไปทำชั่วต่างๆนาน า, น, า น, นี่เนื่องจากเรื่องของใจโดยเฉพาะที่กายและวาจากเกิดเป็นกิเลมปัญหา เกิอได้รักษาระวังฉะนั้นพวกเราท่านที่มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติพระศาสนาจนางพากันระวังรักษาแต่เบื้องต้นกายก็คือเปลือกของต้นไม้วาจาก็คือกระชี้ใจก็คือแก่นไม่มีทั้งแก่นทั้งกระชี้แล้วก็ทั้งเปลือกชั้นใดเราก็มีใจมีวาจามีกาย เหมือนต้นไม้เหมือนกันฉะนั้นจงพากันรักษาตั้งแต่เปลือกข้างนอกนี่แหละเข้าไปเชื่อก่อนเมื่อเปลือกดีกระที่ดีแกนก็ค่อยๆจะเกิดมีขึ้นต้นไม้ปลูกใหม่ยังไม่มีแกนจะต้องอาศัยเปลือกกระที่แค่ก่อนต่อเมื่อนมนานเขา้าไปแกนของต้นไม้จะเกิดขึ้นเพราะอาศัย ลต้นแก่เข้าไปและเปือด ก, กระที่ห่มนนาเข้าแกนค่อยๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นตามอายุ <c oughs> ของต้นไม้นั้นฉะนั้นพวกเราท่านมีกายมีบาจามีใจมีเปลือกมีกระที่มีแกนจงพากันระวังรักษาศีล ส, สมาธิปัญญาของตนเป็นเครื่อง บำบร l o รักษาไหลรัต้นคือแก่นของของคนในแก่ใจให้จเจรินโตโตขึ้นปกติตต <c oughs> ยิตใจท่าหากไม่ใคร่จิดที่จะได้นาปล่อยเอาไว้หายใจปรุงจิตไปเรื่องนอกก็คือการทำลายแก่นของคนใจของคนนั้นจะ่อ จะเสียเมื่อปรุงมากคิดมากไปในทางผิดจะสอะแสดงออกมาทางวาจาคู่คุยกันไปในทางศืลอสารในกาะถาในเรื่องที่ไม่เป็นอาจเป็นธรรมทำให้ตัวของเราผูเป็นเจ้าของเดือดร้อนมุ่นวายไม่มีความสงบสุขจากการเป็นอยู่ของตอนแต่นั้นทุกคนจง ม, มันพยายามระวังรักษา เรื่องกายราจาตลอดถึงใจเพราะหน้าที่การงานด้านช่องของพวกเราไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มการขบการฉันที่อยู่ที่อาศัยตลอดถึงหยุบยาแก้ไ้นี่ผู้มาถวายบำุงรักษาถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติเป็นอดเป็นธรรมอย่าไปกลัวจนไหบุคคลผู้อื่นจะไม่ดูแลรักษาเขามีหูมีตา ทัโลกอยากจะเชิโชวบูชาคู่กับพืปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางนั้นอย่าไปเห็นตัวอื่นดียิ่งกับการแตร่พืชตนของตนให้เป็นอัดเป็นธรรมถ้าหากพวกเรานักปฏิบัติมันที่นิพิจารณามันใจควรศึกษาอาัดทําอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษากายใจาจใจของตน ใครเป็นพระเป็นเนนที่ดีเป็นสุปฏิปันโนปุชุปฏิปันโนยายะสาวีจิปฏิปันโนจริงจังคนนั้นแหละจะไม่อดยากยากจนจะเป็นพระขีหน้าสักระบูชาเป็นแนนที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าเนจตาสงสารไปอยู่ในสถานที่ใดใครเห็นก็เหลือ่อนไสยินดีศรัทธาเพราะการจะพืดปฏิบัติคาศาสนาเอาจริงเอาจัง เรื่องพระศาสนาไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใจจากจากายจากใจของเราถึงพระพุทธเจ้าจะพูดไว้หรือมีโอวาทาำสอนบัญญัติเอาไว้มากมายหลายหลวงขนาดไหนต่อต่างก็อยู่ที่กายที่ใจของเราทั้งทั้งหลายเท่านั้นอย่างท่านบัญญัตินัดแปดต้องต้นแต่สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปจนถึงสัมมาสมาธิก็ไม่ใช่ที่อื่นก็ที่กายที่ใจของพวกเรานี่เองมันหยัดอันอื่นออกไปก็เหมือนกันอย่างอายะชนะหรือถาดขันอะไรทุกอย่างพูดแล้วออกไปจากตัวของพวกเราท่านแต่นั้นผูทูที่ที่นิพพิจรารณากายใจจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาถูก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 ในส่วนเหล่านั้นพอใจในส่วนเหล่านั้นถ้าหากพวกเราท่านพิ่เจรณาตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่สอนจริงจังลาคาตัญหาที่เคยกันเลิเกเสื่สารในจิตในใจใช่ส่งวยอย่างนั้นงานอย่างนี้แต่เมื่อที่เจรณาเรื่องอนิจจ์ถ้าไม่ตั้งมั่นถาวรคงทนและมีทุกประจําธาดาุขันไม่ว่าเราว่าท่าน หญิงว่าชายในวานักบวชคารว่าได้ชื่อว่าเป็นอนิจจงด้วยกันและเป็นทุกขังด้วยกันที่จะเนเข้าใจชัดเจนเห็นชัดอย่างนั้นใจของพวกเราท่านจะไม่เกิดราขา้าปัญหาเพราะเรื่องเหล่านั้นมันเป็นอนิจจ์ในตั้งมัน่นในคงทนถาวรเป็นของแปรปวน เป็นของนำทุกมาให้พิจัยนาให้แนนอนลงไปอย่าไปถือเอาว่ามันสวยอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้นันนน่นคือสัญญาความหมายของเราข้าพิจัยนาตัวเขาไม่เห็นพิจัยนาตัวเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังว่มันเป็นทุกขังหรือว่ามันเป็นอัตตากรณ์พิจัยนาบุคคลหรือสัด ท, ที่ล่มหายตายไปมันเป็นอย่างไร แต่ก่อนมันก่เป็นคนอยู่อย่างเราเป็นสัตว์อยู่ดีๆแต่เมื่อมันตายไปแล้วทำาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแต่ปวนไปแต่สลายไปหรือไม่อย่างนั้นที่ใจนาคนหนุ่มคนสาวไม่เห็นกับที่ใจนาคนเฒ่าคนแก่แต่ก่อนมันก่สวยก่อ ง, งามก่นหน้าดูรูปร่างขาดขันของพวกเหล่านั้นไม่อย่างนั้นไม่มีใครเขาจะเอาไปเป็นสามีภรรยากันเพราะ มันในสวยในงามความเท่าความแฉะความเหนียวความแห้งของร่างกายเราก็ข้อทราบได้ทุกรายไปเมื่อพ่อแม่มันเป็นอย่างไรลูกหลานของมันเกิดมาสุดท้ายตายแดนมันควจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะไม่อนิจจังไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะเป็นสัตว์ที่ไม่อนิจจังจะต้องแปลขันเปลี่ยนแปลงแปลปวนไปตามอายุ ตามการตามเวลาให้พวกเราทุกคนพิจารณาอย่างนั้นหรือจะพิจารณาอาคู่่าอาคุพังเพื่อถอนราคาปัญหาความกำ น, นัดยินดีความอยากในจิตในใจให้เบาบางออกไปด้วยการพิจารณาแยกชาิแยกขันพิจารณาให้ทีท่วนแน่นอนลงไปเรื่องมนุษย์นี่อะไรเป็นที่สวยที่งามที่น่าดูน่าจูบน่าชมน่าหลง ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของมนุษย์เป็นของสกปรปกโซมโมลทางนั้นอาหารการขบขันที่มนุษย์อยู่กินหรือขบขันลงไปล้วนแต่เป็นของเน่าของเหม็นเก็บไว้ยังคืนยังวันไม่ได้จะต้องบูดต้องเน่าเพราะเป็นของตายของเสียมาแล้วเหตุนั้นธาตุฉันของพวกเราท่านที่ขบขันโดยอยู่กินอย่างนั้นจึงเกิดความสกปรปกโซโคทุกลายแต่ ในว่าอะไรในตัวของมนุษย์ยนี่จะน้ำเหงื่อน้ำไขยไหลออกมานอกกายถูกข่าค่อนทันสบายก็เลยชำละ ส, ะสางล้างกันหรือซักตอกกันอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุตกกระปกยิ่งน้ำมูกกาำลายตกลงไปใส่ภาชนะอาหารหรือที่นั่งที่นอนจะต้องล้างหรือจะจะต้องชระพวามันสกระปกแหรอคนทุกคมีไหมส่วนเหล่านี้ แต่ตรงนี้ด้วยกันทั้งนั้นอะไรกันในมนุษย์ที่มันสวยมันงามมันน่ารักน่าชมน่ายินดีน่าพอใจไม่ว่าเลือดว่านำ้ำมูนำ้ำเหลืองนำ้ำลายลายืนน้ำมูดพูดถึงเนื้อหนังเราเหมือนกันเป็นของผิดตีเย้เน่าเป็นของผิดในหน้าชอบน่ายินดีหนังมนุษย์ ลองลองใส่เขาเียออกไปทะลุออกไ ป, กออกไปใส่ภาชนะอาหารของเราอย่างหนังเท้าหรือนั่งมือเท่านั้นเขียนเขา้านี่เป็นหนังมนุษย์อาหารถึงจะมีรสชาติอ ร, อร่อยขนาดไหนเราจะต้องเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่พอใจไม่ยอมขบฉันอยู่กินต่อไปเพราะเขียนหนันงอันนั้นเป็นของมนุษย์คนทั่วไปเป็นอย่างนี้ พ่าพิจรารณาการจริงจังเรื่องของมนุษย์เป็นของปกปกสมเหตุนั้นการจะบวชเป็นเที่สุสามะเนรอุปัชฌายาอาจารย์ท่านจึงสอนกรรมฐ า, านคือให้อาวุธต่อลูกของท่านเพื่อปราบจามจิตใจที่ใขค่คิดกนหนัดยินดีในจิตในใจให้เบาบางใส่เมื่อเกิดกนนัดยินดีพอใจเมื่อใดให้พิจรารณา เอาอาวุธที่อุปชายะเงอบให้สังหารเรื่องจิตใจที่ไขคค่จิตจิตของในกิเลสปัญหาต่างๆอะไรหลออาวุธที่อุปชัยอาจารย์ให้ก็คือเจษาโรมาณ์ขาทันตาตะโจกที่พวกเราท่านเคยรับจากอุปชายะมาเจษา์พูดถึงภาษาของไทยกว่าเรียกว่าผมผม อยู่บนพีระเราดูผิวเคลนในที่เจรณากว่าที่ว่ามันสวยมันงามหลงกันยินดีกันแต่เมือ่อพิจารณากันจริงจังผมที่จะสวยงามอยู่ได้กว่าต้องอาศัยสะอ า, ยาอาศัยล่างอาศัยหวีอาศัยตกแต่งไม่อย่างนั้นผมนั้นก็ไม่ น, น่าดูเป็นของที่ไม่สวยไม่งามอะไรยิ่งโกนออกมาเลือดตัด ออกจากทีสาแล้วได้ทิ้งไปในน้ำที่เราเคยดื่มน้ำที่นีรสชาติดีไม่มีใครที่จะกล้าดื่มเพราะเป็นของสกปร ก, กนอกจากนั้นขนเราก็เหมือนกันยิ่งเป็นขนในร่มผ้าก็ยิ่งหนาเียบมากเขา้าไม่มีอะไรในตัวของเราที่จะเป็นของสวยของงามถ้ากเราพิจารณา อย่างนี้จิตใจที่ไปยินดีไปพอใจแบบผมมันงามอย่างนั้นขนมันงามอย่างนี้ก็ค่อยจะลบน้อยถอยไป้างที่เจอนาด้วยอาด้วยธรรมนี่จึงได้เชื่ออาวุธ <c oughs> ที่อุปชัยยะอาจารย์ให้ในก่อนก่อนบวชเป็นสามเณรหรือเป็นพิกซุกให้อาวุธก่อนเล็บเล่าเราเห็นว่ามันสวยมันงามพบตกข้อแต่งเขาตัด ถ้าหากในรักษาในขูดเกามนตัดเล็บนั้นจะเป็นอย่างไรเราเคยเห็นไหมเล็บคนที่ไมยไใดรักษาคนที่ไมยไใดดูแลเรื่องของเล็บตนมันดำมันสกระปรงขนาดไหนนอกจากนั้นถ้ามันหลุดมันร่วงลงใส่อาหารแลรวเราพอใจไหมนี่ก็แสดงว่าเล็บ ก, ก็เป็นของสกระปรกเหมือนกัน พอเล็บจะงอกได้ก็อาศัยน้ำเลือดน้ำเหลืองอาศัยทองสปปกปรกเหมือนกันกรัระยาที่เกิดจากหลุมฐานหรือศากตกเพราะอาศัยฝุ่นอาศัยปุ๋ยที่เน่าที่เหม็นนั่นเองถึงคอยงอกงามขึ้นมาขันใดเล็บหรือขนผมของเราก็ะันนั้นไม่แตกอะไรกันที่มันงอกขึ้นได้ก็เพราะอาศัยน้ำ เลือดน้ำเหลืองอาศัยของผกปก โ, โคภายในกายของเรานอกจากนั้นฟันกับเงอนกันฟันมันงามอย่างนั้นฟันมันงามอย่างนี้นีนนนน่คือเราพิจารณาในทีถท่วนดิบดีๆถ้าพิจารณากันโดยอาบโ ด, ดยทำจริงจังฟันมันจะสวยจะ ง, งามที่ไหนกันฟันทุกคนได้ําระสสารกันอยู่เรื่อยๆไม่ว่ากลางวันไม่ว่าตอนเช้าได้ชำระอยู่ ทางหางใหม่ชำระเที่เลยต่อเอาไว้เหมือนกากับเรื่องอื่นอื่ในเกี่ยวข้องในการชำระสายสาั่งที่ฟันมูลฟันมันจะมีมากพออาาปากขึ้นเท่านั้นแหละไม่ลงวันจะต้องบินเป็นเกี่ยวทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะมันเน่ามันเน้ น, นที่ฟันยิ่งลดล่นออกมาถูกภาษนะอาหารถูกเครื่องดื่มเครื่องคบฉัน จพอใจกันไหมการที่เราถือว่าสวยว่งามมันเป็นอย่างนั้นหนังก้อยอย่างที่อธิบายมาในใจว่าของสวยของงามอะไรนี่คืออาวุธที่อุปชาอาจารย์มอบให้นี่ที่จะได้นาหากู่ใดมันเอาอาวุธต่อสู้กับที่เลียดปัญหาเมื่อเราเห็นผ่าน <c oughs> ตาผ่านหูแล้วดูว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ให้แยกแยะ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 จากนั้นนีเป็นข้อวัดส่วนกลางซึ่งพวกเราจะต้องร่วมกันทำส่วนตัวก็คือการเดินจงกรมภาวนาราักษาเจนาชนะที่อยู่ที่อาศัยในสปกปรกโสมบ์นี่คือข้อวัดส่วนตัวนอกจากนั้นส่วนตัวข้อมาอีก็คือรักษา่างกายท้องตนเส้นเล็บ ก, ก็ไม่ปล่อยให้มันยาวผมหนวด ก, ก็ไม่ปล่อยให้มันยาวมันเผาเกินเก็เกินผล รักษาตนของตนให้เป็นหน้าดูหน้าบูชาของชาวโลกนักบวชต้องมีขววัดปฏิบัติข้อมูลบริบูรณ์แล้วทีนี้พิจารณาอาวัยวะร่างกายกำหนดจิตให้อยู่อย่าให้ปล่อยด้ตามยิ่เหลดปัญหาผู้นั้นแหละจะได้เป็นลูกศิษ์ของพราาะศาสดาเคอจิตที่เคยคิดเคยปรุงเคยฟุ้ง การสัญญาอารมณ์ก็จะสงบร่งับดับเข้าจิตที่สงบล่างับลงเป็นสมาธิมีความสุขความสบายเบากายเบาใจจะนั่งเทไรก็นั่งได้จะพิจารณาอะไรก็แยกคายเพราะอำนาจของจิตสงบเราจะเห็นความสุขของความสงบของจิตเนื่องจากการตฤลงปฏิบัติเนื่องจากการเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติต่างๆ หากเราไม่มีขันติความอดทนไม่มีสติการระวังรักษากายรายจะาไม่มีปัญญาแนือสอนตนของตนจะบวชอยู่กี่ปีกี่พรนษาจนตลอดวันตายก็ไม่มีรันมีเวลาที่จะแยบชายในจิตในใจจะมีเวลาประสบพบเห็นความสุขจากธรรมะได้ฉะนั้นทุกท่านที่อุตส่าห์พยายามพอมาบวชในศาสนาจงระวังรักษา จงตั้งหน้าตั้งตาจะทำบำเพ็ญคุณงามความดีอย่าเป็นคนเหยียดค้ามากกลับมักนอนมากเล่นมักเพินคนที่มากกลับมักนอนมากเล่นมักเพินนั้นคนนั้นแหละจะเป็นคนทุกข์คนจนในทางอัดทางทำจิตใจจะเดือดร้อนวุ่นวายได้พูดได้คุยได้เล่นได้เพิเินใคาใจว่ามันสนุกสนานมันดีมันดีแต่ที่ไหนได้จิตใจ ไม่สะดวกไม่สบายไม่มีผู้คุยก็เกิดเดือร้อนฉะนั้นจงระวังรักษาอย่าเป็นคนแบบนั้นเราบวชเข้ามาหาความสงบสงัดบวชเข้ามาปฏิบัติท่าษาสนาปฏิบัติใจร a จ a ใจของคนเกิดพ้นไปจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆเราจะต้องเอาใจใส่เหมือนที่นี่พิเจนาะหมั่นกำหนดระวังจิตระวังใจ คําที่ยังไม่มีความสงบภายในใจกระยิอุตส่าห์พยายามบริกรรมเพื่อจิตของตนให้ตั้งมั่นแต่บริกรรมพุโทโธทำโมสังโฆหรือกําหนดลมหายใจก็ะดะัให้ผูกจิตผูกใจว่าคําบริกรรมของตนหรือการกําหนดใจของตนนี้เป็นทางที่ดีดที่ดีเป็นทางที่เลิศที่ไปเสดมีผูก เคยกระทำบอมเพนเห็นผลมาแล้วจา น, นวนมากส่วนอื่นที่เคยปล่อยเส้นผ่ามไปตามสัญญาอารมณ์นั้นเป็นทางที่เสียหายไม่มีรายได้เป็นทางที่ทำตัวของตัวให้เดือดร้อนเราผู ก, กจิตผูกใจเชื่อมั่นว่าํำบริกรรมของตนหรือการกำหนดลมหายใจของตนนี้จะนำความดีคือมัดผลมาให้อารมณ์ทัานยาส่วนอื่นจะเป็นหมื่นเป็นแสน ผ่านมเราอย่าไปติดตามแล้วต้องกําหนดอยู่ที่ลมหายใจหรือกาหนดอยู่ที่คําบริกรรมของตนจนจิตใจของตนนั้นได้รับความสงบความสงบเป็นอย่างไรคนที่ยังไม่เคยสงบ ก, ก็ไม่รู้จักต้องทาเที่ยกวก่อนเหมือนกันกับอาหารหลานคาวต่างๆถ้าหากเราไม่ได้ริม ไ, ไม่ได้กิน เขาพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เชื่อเขาหรือเชื่อก็ไม่ถึงใจยิ่งเป็นอาหารหรือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคุกเคยสันเชื่อเลยก็ยิ่งไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรความสงบของใจแต่เกิดมาจนกระทั่งแบบนี้เราไม่เคยมีเคยเป็นเราก็ไม่เชื่อไม่เข้าใจแต่เมื่อเราทําด้วยความเชื่อความเลื่อนใส่ด้วยความยินดีความพอใจจริงๆ เราจะเห็นขึ้นว่าความสงบมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเ จ, จ้าจึงชมเชยว่าเป็นของดีของดีความสุขส่วนใดในโลกจะเหมือนความสงบของจิตของใจในนี้เราเห็นกระจัดกระจายอย่างนั้นแล้วก็ยินดีพอใจในการทปฏิบัติในการกำหนดในการกระทําในการบําเพิ น, น, น, น, น, นไม่เกียจคร้านมีความขยันหมั่นเพียรอยู่ทุกวันทุกเวลา เห็ความสงบเพียงแค่นี้ก็ยังมีความสุขขนาดนี้ลดขความสุขในอาดในธรรมเป็นอย่างนี้เราได้ดื่มได้ริมแล้วอย่างลดของความสุขของธรรมแ้วเชื่อมั่นว่าเราปฏิบัติยิ่งกว่านี้ทำจริงกว่านี้มากกว่านี้ความดีความดีความสุขความสงบความละความวางความถ่บความถอนของจิจของใจจะเกิดจะมีขึ้นใจเห็นจะเด่นยิ่งกว่านี้ความสุขอันจะเสริ่อมเสียยิ่งกว่านี้ยังมีอยู่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 ไม่ได้แต่ทาบําเพ็ญตามวาระตามหน้าที่ของเราเกิดขัดข้องในจิตในใจเพรเหตุใดเพราะความสุขที่เราเคยได้เคยเห็นเคยเป็นอยู่ในจิตในใจมันไม่ได้ทําไม่ได้บาเพ็ญเป็นเม็เป็ น, ปนหนวดฉะนั้นผู้ที่เห็นอาจเห็นทำในจิตในใจท่านจึงไม่แค่ก่อสร้างไม่แค่ทําการงานด้านอื่นตั้งหน้าต่งางตาบา เ, เพา็ญภาวนาด้วย่ายเดียวก็มีความสุขอันเลิศไปเสด็จ แต่บางท่านบางคนมักจะเข้าใจว่าคนที่หลับหูหลับตาภาวนาไม่เป็นส า, ารประโยชน์อะไรแกโลกคูอสร้างวัตถุบทเจดีวิหารต่างๆไม่ได้เพราะส้าโลกจะได้ถึงพาอาศัยคนรุ่นใหม่รุ่นหลังจะได้เห็นเป็นตัวอย่างไม่เป็นอย่างนั้นความจริงท่านสร้างจิตสร้างใจของเราได้ดีพิเศษพราพุทธเจ้าสร้างจิตสร้างใจของท่านได้